มีพักชนาธรรกับท่านหลวงตานรุพัฒน์ผีนายตอนสับว์ตัเ้นลอใจจะเป็นของตอนที่นหนพี่บอกว่าฟังแล้วมันเข้าใจทางปฏิบัติพอจะเข้าใจจค่ะไหนอธิบาย้ังว่าเข้าใจยังไงเมื่อก่อนเข้าใจยังไงแล้วตอนฟังเสร็จแล้วตอนนี้เข้าใจยังไงเข้าใจบบว่า ก็จะพับใจให้ว่างไว้แบบว่าถ้ามีอะไรเข้ามาแล้วก็อย่าอย่าส่งใจไปด้วยอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่ารู้เฉยๆเจ้าค่ะเหมือนแบบว่ารู้เฉยๆเจ้าค่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยแบบที่ว่าใบ ไ, ไม้ไหวได้เจ้าค่ะเราก็เฉยพยายามทําใจให้ว่างเจ้าค่ะ อืมไอตอนที่รู้รู้รู้เฉยเฉยนะสุดแล้วแ่ะแต่ตอนทำใจให้ว่างไม่ถูกไม่ถูกจ้ใค่ไหมใช่ไหมตอนที่ทำใจให้ว่างไม่ถูกเจ้าค่ะจะต้องไม่มีผู้ทําใจเขารียว่าอ๋อมีแต่แค่รู้เฉยเฉยกับตัวรู้ไม่มีผู้ทําใจให้ว่างนะเจ้าค่ะถ้ามีผู้ทําใจให้ว่างเนี่ยมันจะเกินมาอ๋อเจ้าค่ะมันจะเกินมามีตัวเรามีตัวตนของเราให้มีแต่ รู้เฉยูู้รๆรู้รู้รู้จิตไหวๆมันไม่ไม่ทีนี้พอโยมฟังไปโยมก็ว่าเอาแค่นี้เนีะเอาเอาแค่นี้ก่อนเบื้องต้นนะจะคะที่ฟังไปฟังใจดวงตาบอกว่าไม่ได้ต้องปฏิบัติไปนี่เลยอย่ามาคิดเอาแค่นอนแค่นี้ไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งไปถึงตอนสุดท้ายบอกว่าถ้าปฏิบัติปฏิบัติแน่น่าต้องกินน้อย นอนน้อยปฏิบัติให้มากเจ้าค่ะโยมโยมติดตรงทิ่ว่าง่วงเจ้าค่ะนั่งนั่งไม่ได้แต่ถ้าทําไปทํางานด้วยได้ไม่เป็นไรพอจะรู้สึกมั่งไม่รู้สึกมั่งแต่ถ้ามันนั่งนี้มันจะติดง่วงเจ้าค่ะสงสัยโยมก็คิดว่าสงสัยจะทานเยอะไหมอ๋อพูดต่อได้อะไหนอ่ะแล้วมึงไงต่อย น้อยนอยน้อยไงอากูต่อกูต่อ่เอาเอากูต่อก็ก็คิดว่าต่อไปต้องตั้งใจปฏิบัติมากกว่านี้ใค่ไหมตอนตอนฟังปุ๊บใจมันก็ไวเหมือนกันคิดหาวิธีว่าจะทำยังไงให้ให้ไวกว่านี้ แล้วจะปฏิบัติยังไงเขาบอกว่าจะจะปฏิบัติได้มากขึ้นเจ้าจะปฏิตังไงไม่บอกปี๋ก็จะเพียนให้มากกว่านี้เจ้าคะเออเพียนยังไงก็ทุกวันนี้นะเจ้าคะทุกวันนี้แต่สวดมน้อเช้าไม่ค่อยได้ไปทีนี้ก็สวดมน้อเย็นก็เขาบอกว่าพอเขาสวดมน้อเสร็จแล้วก็ ปฏิบัติต่อชั่วโมงแต่โยมก็บางทีก็เอาแค่ครึ่งชั่วโมงเพราะว่ามันมืดแล้วโยอโยมจิตใจยังไปห่วงห่วงปลาห่วงปลาห่วงแสบสิบบานไม่ให้อาหารมันมืดบางทีก็เออเวลาที่เหลือนี่เราเอาเวลาไปลดน้ําต้นไม้ลดผักแล้วทีนี้แอบโยมที่ว่าเอาเวลาก่อนจะนอนอะคะ่ะไปเดินจงกรมปฏิบัติก็คงจะได้มาก ก็คงจะได้มั่งเลยคิดคิ ด, คดข้าข้างตัวเองแบบนี้เจ้าค่ะแต่ครานี้ก็ที่ว่าจะจะเพิ่มความเพียรก็คือฟังให้มากเดีจยวค่ะฟังแล้วก็น้อมมาปฏิบัติอย่างที่เราบอกนะเจ้าค่ะคือให้รู้ปล่อยร่างกายไปปล่อยจิตจิตคิดได้ฟูงแสงไปเหมือนกับปล่อยไว้ม้ที่ไหวไหวไปเจ้าค่ะไม่มีรู้ก็ไปจักไม่มีรู้ก็ไปไปยึด แล้วกไ็ไม่มีไม่มีผู้ทําใจให้ว่างนะเจ้าค่ะไม่ใช่เห็นจิตมันเหมือนไปไม้ไม่ไหวดิล้วปล่อยวางไปกปล่อยวางจิตไจมันก็จิตเป็นใบไม้ไม่ไหวไม่ไหวไม่มีใครไปจับไปต้องไปยึดร่างกายก็ปล่อยวางไปอปล่อยวางไปปล่อยวางร่างกายปล่อยวา ง, วา ง, า ง, าวางจิตใจอยู่ก็มีอะไรก็คอยถามอาจารย์นุช นะเจยกันเห็นจิตพุกขณะนะปล่อยวางมันไปอ่ะจิตที่มันไหวไหวไหวไหวไหวมือนใบไม้อ่ะไม่มีใครเข้าไปจับไปยึดเห็นอย่างงั้นเนี่เห็นไฝทุกริยาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ปล่อยมันเกิดขึ้นเองปล่อยให้จิตมันไหวไหวไหวไหวมันคิดมันนึมันติดมันต่อมันขึ้นมาเองไม่มีใครไปจับไปยึดอะไร เห아아็นได้มันจชัดนะเห็นอย่างเงี huh. hmm. ้ยไม่้เราไม่ต้องไปตั้งอะไรไม่ต้องไปตั้งดูตั้งรู้ตั้งเห็นอะไรหอลอให้จิตมันไว้ไว้ไหว้แล้วมันเองแล้วก็ดับไปเองไว้จิตมันไว้ไว้ไว้ไว้แลมันเองแล้วดับไปเองก็ค่ะอย่างเี้ยไม่มีแครไปตั้งคอยดูไม่ต้องมีแครไปตั้งคอยรู้หรอเข้าใจไหมอย่างเงี้ยฟังแล้วมันก็มีกาลังใจขึ้นมาเยอะแย เราอย่าเริ่มตั้งต้นถึงมาก่อนอยู่ๆก็จะตั้งต้นเริ่มจะดูจิตเริ่มจะสังเกตจิตเริ่มจะเช็คจิตเริ่มจะตรวจ ส, สอบจิตเริ่มจะเข้าไปเพเ่งจิตเข้าไปดูจิตเราอย่ามีตัวตั้งถึงมาก่อนเพราะว่าเราเ น, นี่ยมันไม่มีอยู่แล้วเราไม่มีมีกิริยาการใดๆมันมีแต่กิยาการของจิต ท, ที่มันไม่ไหวขึ้นมาเองมันลมพัดอ่ะเหมือนใบไม้ที่ถูกลมพัดมันไม่ไหวไม่ไหวอ ย, อย่างนั้น่ะ เราปลอยมันไว้ไหวขึ้นมาเองแล้วมันดับมาเองแล้วก็ไว้มันขึ้นมาเองแล้ดับตัวเองไวไหวขึ้นมาเองแลดับตึ้นเองไม่มีเราเริ่มต้นก่อนนะเริ่มไม่มีเราเริ่มต้นเข้าไปดูเริ่มต้นเข้าไปเช็คจิตไม่มีเราเริ่มต้นเข้าไปตรวจสอบไม่มีเราเริ่มต้นเข้าไปเพ่งปอยจิที่มันคิดิทุกคิดทุกอาการมันไว้ไหวไม่ไหวมันเองมีใครเข้าไปทำอะไรกับมันมันก็จะไม่มีตัวเราเ ไม่รู้สึกตัวมีส่วนรับใจมันจะจะว่างปล่าของมันในเองไม่ใช่เราก็ทําให้ใจของเราว่างป่าใช่ะใจมันว่างป่าแต่ตัวตนคือพอมันไม่รู้สึกตัวมีตัวตนกันเลยว่างปล่ามีแต่อาการไม่คิดไหวไหวแล้วเราก็เดี๋ยวไปไล่ดับมันนะอาการไม่คิดคิดคิดคิดติดตองที่ไหวๆเนี่ยเราเดี๋ยวไปไล่ดับเขาไม่มีใครไปไล่จับเขาไม่มีใครไปไล่ดับเขาไม่มีใครไปแทรกแซงเขา ไม่มีใครไปยึดเขามีแต่ปียการจิตไหวๆไๆๆมันใบไม้ถูกลมพัดโดยไม่มีเราตั้งตนไปจงใจจะเพ่งตั้งใจจะเพ่งมีเจตนาจะเพ่งจะดูจะรู้ใจอย่างจิตเลยมีแต่จิตไหว้ไม่ไหวๆแต่เราไม่มีเราไม่มีเรงนี่จะเข้าใจไหมไม่เข้าใจซักนะเข้าเข้าใจแล้วค่ะ เพราะว่ามันมีแต่จิตไหวๆแต่ผู้รู้ผู้รู้ผู้เพ่งไม่มีตัวเรามันไม่มีตัวเราที่ไปแสดงกิยาการแอคชั่นอะไรไม่มีผู้ไปจับไม่มีผู้เขคอยแทรกแซงไปจัดการกับอาการของจิตมันจะว่างใจมันม่ตัวตนไม่ตัวเรามันจะว่างเปล่าเหลือแต่กายาการจิตไ้ไหวๆเวลาตายแล้วก็ อ, อาการจิตที่ไว้ไหวๆมันก็ดับไป ตัวเราก็ไม่มีตัแต่แรกแล้วคือไม่มีตัวเราไปเพ่งไปจ้องไปดู้เลยมันก็ไม่มีตแต่แรกมันก็ไม่มีใครเกิดเราไม่ใช่ว่าอผมมันก็ไม่มีใครเกิดใครดับมีแต่ในการที่จิดที่ไว่ไหวมันดับไปแต่ไม่มีเราตั้งแต่แรกนะเพราะถ้พอจิตไม้ไหวก็ดับไปคือที่ลงในใจจิตไม่ไหวก็ดับไปด้วยแต่จิตไม้ไหวมันดับก่อนนะลงในใจมันดับแต่ไม่มีตัวเราอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีตัวเราไปคอยดูไปคอยรู้่าจะทาอะไรได้ มันก็เลยไม่มีตัวเราตั้งแต่แรกพอตายแล้วอ้จิตไม่ไห ว, วดับแต่ตัวเราก็ไม่มีส่วน ไ, ไม่มีดับแต่แต่จิตไม่ไห ว, วดับถ้าใครเข้าถึงตรงนี้ได้นะเราว่ามันใกล้จะบลรกลับนิพพานนะถ้าใครเห็นจริงๆไปตาไหนมัยตัวเองจรงิงๆตรงนี้มันใกล้กับลึลันิพพานเพราะว่ามันไม่มีตัวตนเลยมันมีแต่จิตไม่ไหวแต่ไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้อง มีแต่จิตไไว้ไหวๆไว้ทุกศาสนาปัจจุบันจะไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องเลยมันกล้จะรด้ผิานนะใจมันจะเต่ก่จความมากกว่ามีแต่กิริยาการที่มันจะาเลือกตามลาขอมนันอกว่าทีทนนอายุขัยก็ดับไปลมหายใจค่อยๆดับรากายก็เน่าไปพอลามหายใจดับแล้วถ้าไฟก็ไปตัวก็แข็งเย็นชื้นเกิดจากาตุดินาแุน้ำก็เน่าไปของใครของมันไม่เกี่ยวกับเรา ผมไม่มีตัวลรางัไวไหนมีแต่ติดไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวจะไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องอุนกนายกมาทางไกลเรืองนี้ไม่ได้ตาง่ายนะเราว่าไม่ได่อลุัพธ์ดีผ่านผลดูเป็นแก้วผลทาน ก, กิดายเาดิญวะฮะจองไม่ก่อนเลนเราเลาย่ จะเลยมีกำลังใจในการปฏิบัติเอ่อปิจอบให้ก่อนเลยแต่ลวคนโยก็ฟังไปก็แบบไม่ได้ตั้งใจเพ่งเจ้าคะ่ะฟังไปฟังไปเพราะเพงไปถึงตอนนั้นแล้วก็สะ ด, ดุดสะ ด, ดุดมันก็เข้าถึงใจงแบบนี้เราโยมก็แบบโอ้โหก็คุ้มจริงๆที่เขาถามมานะคะมันก็โดนใจเราเป็นชอ็ชอตช็อตไปเจ้าคะ่ะ เออตอนเรคนมันก็โดนใจแทบช่องนั้นเลยเจ้าค่ะเราก็เลยเก็บเก็บตรงนั้นมาว่าจะเก็บตรงนั้นปฏิบัติเลยเจ้าค่ะดีมากนะดีมากถ้แบบเนี้ยไม่ช้าหรอกดีเขานะจะตีบความเพียรชื่ออะไรวะเราจับชื่อเปนหนที่เราชื่อบุญะบุญสมอะบุญสมน่าสนใจไหมบุญสมบุญสมเออ จบแล้วคุณสมบูดีด uh ีคุณแล้วค <Wat> ุณนะอาเนี้ยอย่าอย่าท้อจริงนะตอเริ่มในขาดสายตอไนั้นในขาดสายคือไม่คือไม่ไรใครเอาเสียงได้เขาเก่าเท็จหอ่าเออตั้งใจไว้อย่าท้อจริงนะ่ะโยก็ตั้งใจมาแล้วไม่คิดจะถอยหลังโยค่ะนั่นแหละ ด like. okay. ีกว่าจะเห็นจิตไว้ๆๆๆๆๆคิดคิดตระการไม่มีใครเข้าไปยู้บุ่นไหวตระการทั้งจิตเลยไม่มีใครเข้าไปยามไปดูจิตไปพยายาไปรู้จิตไปเป้งจิตไม่มีใครเข้าพยายามไปคิดไปละไปปล่อยไปวางไม่มีใครตั้งใจจงใจเจตนาที่จะเข้าไปทําอะไรกับจิตไม่มีใครพยายามตั้งใจจงใจเจตนาที่จะไปเป้งไปดูไปรู้ไปเห็นไปละไปปล่อยไปวาง มีแาการของจิตไหวไหวไหวไหวไหวทุกทุกการในแต่ละวันไม่ได้แค่เพนเกี่ยวเขามีแค่อวุ่นวายกับเขาเลยใจก็มีแต่ความว่างเปล่าตัวตนก็ไม่ดีส่วเราก็ไม่ดีมีแตจิตไไวไหวไหไหไหดับไปไไวไวไดับไปเปลี่ยนไปของเนี้ยทาห่งทราอพอถึงตัวไหนมันตรงใจโยมก็บอกว่าอ๋ออย่างนี้เองเหรอ นั่นแหละตั้งใจฟังให้ดีทุกตอนของเราเนะี่ยแหละทุกคําพูดมันมีค่ามีความหมายมากเลยตั้งใจฟังในหะ้มันชัดๆเราเห็นหลายคนในทํางานไปเปิดเปิดเปิดเป็นเพื่อนฟังไปแล้วก็ย ไ, ได้เรื่องในเราอย่างนั้นนะเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งใจฟังดูก็ต้องตั้งใจฟังอย่างลนะุ่นสมด้ยเนี่ยต้อตั้งใจฟังให้มันชัดๆันเข้าใจชัดๆถึงใจถึงใจโอ้โหใจใจหรืออ๋ออ๋ออ๋นถึงใจอย่างเงี้ย ที่จะเดินทางานไปฟังไปเดินไปเดินงานหยุดนวดจับนั่นจับนี่อะไรเงี้ยเริวมันก็ไม่มีอ๋อไม่โอ้โหมันมีอืออืออะไรเลยมันไม่มีใช่เลยใช่เลยโอ้โหตีใช่เลยตรงตรงนี้หใช่เลยใช่เลยเราเลยนะก็คือตัวหัวเราะเราดีมากนะธมะโมสนาที่พูดมาเนี่ยถูกต้องนะ นั้นแหละอันนี้คือทางสู่ความเป็นถูกนะโยก็ปักใจคิดว่าเอาสายเดียวกันโยคะสายเดียวกันมันมวุ่นวายแย่แล้วสายสายนี้มันันขอตายมันแก้มมันสาไหลสา ย, สายมันอย่างนี้แน่มันติดมันไหวๆไหๆเดี๋ยวก็ที่สุดแล้วก็ ถึงเวลาที่ในยูไ้ไอจิตไรไหวก็ดับไปพอจิตไปไหวมันดับก่อนนะลมหายใจก็หายใจยาวๆเพื่อเพื่อเหมือนในไอตกคนตกน้ำแล้วหายใจมออกถ้าลึ่งเพือกเพื่อสองสามคนั่นแหละไม่ว่าคนก็สันัเราเห็นเหมือนกันไอถ้าหมาเรามีดูหมาใกล้จะตายหมาหมาหรือแมวกล้จะตายมันหายใจไม่ออกมันหายใจกพื่อหายใจยาวๆเพื่อเพื่อ สองผลสามผมันตายแต่ความจริงไงไอ้จิตเลยไห ي, วเลยไหแล้วมันดับไปก่อนอะจิตเลยไหวเลยไหมันดับไปแล้วก <c oughs> ็พอดับป <c oughs> <c oughs> <c oughs> ุ๊บไอ้เราไม่ใจเลยเลือกเลือกแล้วก็ดับพอเราไม่ใจดับไอ้ตัวก็เริ่มเย็นเน้าไปมันก็เริ่มดับมันอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นในส่วนแล้วมันเย็นเฉียบเหมอนี้แข็งก็ก็ก็เสียอ่า学费ละถ้่าหนูไม่ควรเนะ่ยแล้วเสอยค่า学 แ ข, แ, แข็งเนี่ยตอนเนี้ยแข็งหรือชาดีกับชาน้ําแข็งเลยเวลาก็จะเอาข้อมือออกมาลอดผ้าผ้าผ้ามาปุมเอามือออกมาลอดผ้าให้คนแล้วจําศพต้องดักกันต้องจับหักดักกันก่อจะเอามาือเอามือไหยออกมาลอดผ้าให้คนแล้วน้ำตกแต่ ก, ก, ก, ก, เเออ ก, ก็เหลือชาน้ํากับชาไฟแต่ทิ้ไม่ทักพักเนี่ย Czyli. ทิ้ไว้เดอนสองวันสวันวนั้นแหละเน่าหมินเราไปสวดศพนะั้น สดเขาสดมันมันไอ้เขาฉีดยาพอมัณีไม่ดีไงอาจารน้ำเหลืองมันไหลออกมานอกนอกโลงศพมาเพื่อนในไอ้ผ้าสาวที่เขาวางไว้ใต้ที่เขาจับจับผีผ้าทำเป็นผ้าจีบจีบจีบจีบจีบโต๊ะที่เขาวางลงศพอ่ะน้ำเหลืองที่มันไหลออกเพื่อนผ้าอ่ะเห็นมากเลยเราสวดแล้วเราไปนั่งอยู่พอดีนั่งอยู่ใกล้ที่สศพของโลงศพอ่ะ น้ำเหลืองมันเหม็นมากโอ้น้ำเหลือคนยังที่มันเล่าบอกมันยังเหม็นจริงเหม็นจนแสบจมูกเลยอ่ะพระที่นั่งไปใกล้พระอาจารย์ยองโที่นั่งใกล้เราโอ้โหขอมีมีมียาดมอะไรไม่ได้ยากต้องกรณีในในย่ามียาดมท่านเป็นลมเวียนหัวมันเหม็นเหม็นโอ้โหเหม็นขึ้นไส้อาเซียนเหม็นมากเลยร่างกายแล้วก็มันไหลไปจากโรงไงไม่ทราบมันไหล พอเพื่อนผ้าเต็มเลยมันเป็นน้ำค่าเหลืองเลเหมือนเลเหลืองเขียวเลยมดเนี่ยมันก็เขาปลูกเน่ามาเลยเหม็นเน่ามากถ้าเป็นเส้นเป็นลมเลยเพียนหัวขึ้นใต้นะฮะบางีเรามียายาดมอยู่ใช่หมฉันดมเอาเฝ้าเ่วได้เราก็เหม็นได้แย่เหมือนกันหูหม็นจริงจริงมันเหม็นแส่จมูกมันปวให้อ้องเหลือมบนคนกว่าไอ้น้ำยากฟมอลีเนอ่ะกลิ่นมันเข้าจมูกแสบจมูกแสบตาหมดเลย เราเสร็จแล้วก็ดูไปตอนที่ที่เขาจะไปเปิดโรงอ่ะเขาไปเปิดโรงเปิดโรงศพอีตอนที่เดี๋ยวเข้าเตาเผาให้เ hmm. ห็นที่กลางสุดท้ายอนุญาตขึ้นไปเอาเอาดอกไม้จันทร์ไปวางไว้ในโรงศพเปิดโรงศพเพื่อหเหนหน้าหน้าสนตายที่กลางสุดท้ายอุยมีใครอยากไปดูรถเปิดใหเห็นหน้ากลางสุ้ายมีใครอยากดู ที่ตอนมันเน่าหมดแล้วเห็นในโรงอะ่ะมันเขียวมันซรดหมดแล้วไม่เน่าก็นมันก็เริ่มลินแน่แล้วบางทีก็เก็บไปดีกันเนา่านะตอนนั้นน่ะแล้วก็เขาก็เอาเปล่าใส่เตาเผาเผาไปทุกตัวเผาเสร็จตอนตเช้าไปเก็บชักไอพีโรออกมาไม่ใช่ที่เท่ากันอยู่ตัวใหญ่ใหญอย่างพวกเราเนี่ย ตอนเช้าหรือที่เจ้ากระดูว่าปั้นตุกตาในตัวที่เกี่ยวเนี่ยนอกจากนั้นจะเป็นที่เจ้าที่บินไอที่เหลือที่เป็นกนระดูกจริงๆมาปั้นตุกตาในที่เกียวตัวที่เดี่ยวปั้นตุกตาในตัวที่เดียเยเ่ยวเยนะี่ยแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็รวบใส่ห่อผ้าเอามาเขี่ยไปในหน่อยเดียวเขาก็เป็นรอยน้ํำทิ้งหมดแล้วเรียกว่ารอยอ่งางผาทิ้งไปหายไป น้ำก็ซัดไปท่าน้ํามันเหนือนะท่าน so ้ the the well. ํามันเขาก็ี่หายไปมดเลยแต่เหลือที่เหลือกต่ชั้นดินเป็นที่เท่าเป็กระดูกเสร็จแล้วเขาก็เอาไปลอยน้ำเอาไปลอยน้ํากับจมไปในน้ํามันนัคืนกับซัดมาขึ้นฝั่งเขาก็ดูตายเอาไปถมบ้านสมดินถมถนนคนที่เหยียบเจ้าเนี่ยดินที่เราเหยียบดินที่มาปลูกบ้านเนี่ยกระดูกพวกเราในเท่าไหร่ละนะคือเจ้าบอกว่ากระดูกเราคนเดียวเนี่ย คนเดียวนะของเราคนเดียวเนี่ยเอามากองรวมผู้ชาติผู้ชาิเอามากองรวมกันเ่เท่ากับภูเขาลูกใหญ่ๆเนื่อเท่ากับภูเขาลูกใหญ่ๆเรื่อยๆนะลูกเล็กๆนะภูเขาเะไรนั่นเราจำชื่อนติดภูเขาเวระบรรพตนเยเท่ากับภูเขาเวระบรรพตนนี่ใหญ่ขนาดนี้เลยเราเราเกิดตายเกิดตายเนี่ยแล้วที่เกิดกันส่วนใหญ่ก็เกิดไปเป็นสัตว์ในฉานไปเป็นเปรตเป็นสุรกายกับนลก พระเจ้าบอกว่าโอกาสที่จะเกิดเราเป็นมนุษย์จะกลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยยากที่สุดในโลกแลเราก็ไปไปเปอภัยคือเป็นจารีกรเป็นระบบร่างกายเป็นมนุษย์เสมอแล้วถ้าเราไม่อยากไปอีกแล้วให้เป็นทุกอย่างลำบากแบบนั้นเนี่ยก็เสมือนอย่างยมบนโถมนี่ไงจิตต้องปล่อยใ้จิตมันไหวไหวแบบใบไม้ทับเนี่ยแต่ตอนนี้ลมมันทับแรงหน้ากเลย พก็ปีนี้มันกันหน้าร้อนแล้วอยู่ๆก็มีลมพัดหนาวมาเฉยเลยแต่แล้วก็ใบไม้มันไหวทั้งวันเลยดูสิเราก็นั่งดูใบไม้ไหวไหวไหวไหวไวเมันจิตเราเลยจิตเรามันก็ไหวไหวไหวไหไมีความคิดมีอาการต่างๆมันไหวไไว้หวอยู่ตลอดเวลาเหมือนไม้พัดเนี่ยแต่เรานั่งดูใบไม้เราก็เราก็ดูมันแล้วก็ดูมันก็ดูในจิตเราเหมือนกันจิตเราก็ไหวไหวไห้ไหวไหวเหือนใบไม้พัดเนี่ย แต่มันไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับใบไม้เลยใบไม้มันคงพัดที่มันอยู่เนี่ยไม่มีใครไปยุ่งไปแทรกแซงไม่มีใครไปเพ่งตั้งใจไปเพ่งดูใบไม้แต่ก็เห็นอยู่ว่าใบไม้มันไหวๆแต่สังเกตนั้นมีใครว่าตั้งใจจะไปเพ่งใบไม้จะตั้งใจจะไปดูใบไม้ที่ไหวๆตั้งใจจะไปรักไปปล่อยไปวางใบไม้ตั้งใจที่จะไปเลือกว่า ใบไม้อย่างนี้ดีจะเอาอย่างนี้ไม่ดีไม่เอาจิตดีจะเอาจิตไม่ดีไม่เอาจิตดีจะเอาจิตไม่ดีไม่เอาเนี่ยไปเลือกจิตแต่จิตดีๆก็ได้แตเห็นใบไม้มันไหวๆเนี่ยในตัวเนี่ยใบไม้ไหวเต็มก็เห็นแต่ใบไม้ไหวๆๆไม่เคยคิดจะไปเลือกเลยว่าใบไม้ที่ดีเอาใบไม้ที่ไม่ดีไม่เอา แล้วไม่เคยคิดจะไปตั้งใจจงใจเจตนาที่จะเพ่งที่จะจ้องที่จะละที่จะปล่อยจะวางไปไหมเล็กน้อยมันก็ไม่ได้เห็นมันไว้ไหว้ลยก่อนไม่มีใครก็ไปเกี่ยวข้องเรื่องหน้าในการเห็นแห่งนี้ยเรื่องหน้าในการเห็นอย่างเนี้ยมันก็เลยไม่มีตัวเราหมดสิ้นความเปลี่ยนตัวตนจิตใจมันก็เลยว่างเปล่ามันเหลือแต่อาการไว้ไหวภายในใจไม่มีใครก็ไปเกี่ยวข้องไม่มีใครก็เาไปแทรกแทงมีใครเข้าไปยุ่งความสุขมัน มันก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปเป็นกว่าจะสิ้น่ะริ้วไสในอาการนองจิที่มันไว้ทุกคิดทุกอาการมัะดับไปเพราะมันเป็นสังขารที่ตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขรังอนัตตาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความปุงแต่งขึ้นมาเป็นธรรมดาหรือเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา ดังนั้นในสิ่งที่มันไหวๆเป็นสิ่ที่เกิดขึ้นที่ปรุงแต่งขึ้นมามันมีอาการไหวตัวได้มันจะเป็นสิ่งที่ดับไปทั้งหมดเป็นธรรมดาดังนั้นมันเป็นสิ่ไอ้ส่วนที่มันเหนือกว่าสิที่ไวไหวคือมันไม่มีผู้ไหวคือใจที่ว่างเปล่านี่ยเพราะว่ามันไม่มีผู้เป็นไิที่วุ่นวายกับอาการที่ไหวใจมันเลยว่างเปล่ามันเลยไอ้นี้มันไม่เกิดไม่ดับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละตลอดไป มันไม่มันไม่แช่ไปทําใจให้ว่างนะคือเป็นเพราะด้วยอํานาจแต่การที่เห็นผิดไว้ไว้ไว้ไม่มีใครเข้ามายุ่งวุ่นวายที่เกี่ยวข้องกับยึดถือด้วยอํานาจอันนั้นแหละมันจึงว่างใจมันจึงว่างปราศภาษาพุทธเจ้าผู้กับภัยยะที่เป็นคารวะว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้เมื่อไหรเธอสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยิน แต่ว่ารู้แจ้งทางทางใจหรือรู้รู้อาการนิจใจจับแต่ว่ารู้อาการทางใจมันไวไวไวไวอย่างที่เราพูดอย่างนีนั่นแห ล, ละจะไม่มีตัวตนของเธอจะไม่รู้สึกว่ามีตัวตนของเธอต่อไปแล้วก็จะไม่มีตัวตนของเธอในปัจจุบันนะในตลอดไปข้างหน้าก็าจะไม่มีตัวตนของเธอในพบในไหนทั้งหมดเธอจะพ้นจากทุกจะสิ้นสิเลสบรรพณิพาก ถ้ามันก็คือที่วุฒิเจ้าพูดเนี่ยพูดเป็นภาษาเขาพูดภาษาแปลมาแต่ภาษามาโครจริงๆไม่ไม่ทราบว่าเขาองศัดกับไตรยาวิยาไงแต่ภาษาแปลงมาเป็นภาษาไทยว่าศัพแต่ว่าศัพแต่ว่ารู้เห็นสัพท์แปเห็นได้ยินสัตท์แปยินได้กลิ่นสัตว์แปได้กลิ่นรู้รสศัพท์แปรู้รสสัมผัสศัพท์แปลสัมผัสรู้อาการทางใจทพกติยาการที่เกิดขึ้นศแต่ว่ารู้ถ้าเธอศัพแต่ว่ารู้อย่างเนี้ย เธอจะไม่มีตัวตนทั้งในโลกนี้ในโลกหน้าเธอจะสิ้นกิเลสสิ้นทุกบรรลุมรรคผไพยาวามจบก บ, บุญอรหันต์โยมคิดอีอย่างเลยหลวงตาคิดว่าที่ฟังประบาดรู้เจ้าแล้วทำไมสมัยก่อนทำไมถึงบรรลุกันง่ายจัง ก็อย่างนี้ยคือเข้ามาจนใกล้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็เหมือกับทีมบุญสมว่าคือมันเห็นมาแล้วอ่ะมันเห็นมาแล้วมันรู้มาแล้วในชาติก่อนก็เคยเห็นมาแล้วรู้มาแล้วในก่อนหลวพุทธเจ้าก็รู้เห็นมาเยอะแล้วเหมือนที่โยมบุญสมว่าเออพอฟังว่าเลื่อนใบไม้ไหวไหวไหวไหวม่มีใครเข้าไปแทรกแซงไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นหรืมัน ไม่เี่ไ ม, มีใครเข้าไปเลือกสันว่าอย่างนี้จะเอาอย่างนี้ไม่เอาแต่แต่เห็นว่าใบ ไ, ไม้ไห ว, ไหว้หมันกับจิตที่ไหวๆ ไ, ไม่มีใครเข้าไปแทรกแซงไม่มีใครเข้าไปสงใจตั้งใจเกณนาที่จะดูรูลล้ละปล่อยวางมีแต่เห็นสิตที่ไหวๆไหวเ ไ, ไม่มีใครเข้าไปยุ่งวุ่วายใจมันก็เลยว่างเปล่าแล้วก็มีแต่อาการของไว้ไห ว, ไหว แต่ในการรู้เห็นเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดยังไม่ค่อยชัดแล้วเขาก็ไม่รู้จะว่ามันจะไปสิ้นสุดยังไงจะไปอย่างไรไม่มีใครบอกไม่มีใครชี้ทางบังเอิญเพื่อนของที่เคยปฏิบัติร่วมกันกับพฟยยะท่านบรรุอนาคามีไปอยู่บนวสวรรค์ท่านเลยลงมาลงมาช่วยพัยยะเดิมเนี่ยพัยยะกับเพื่อนรวมเจ็ด เจ็ดคนบวชแล้วขึ้นไปปฏิบัติธรรมอยู่บนหน้าผาเอาไม้ตายขึ้นไปแล้วก็ตั้งสัจจคตอธิษฐานกันว่าเราจะถันแต่ข้าวกับน้ำที่นำมาที่บิสบากมาถ้าไม่บรรลุอารหาันต์ยอมตายแล้วก็ผักไม้ลงเลยผักไม้ลงจากหน้าผาเจ็ดองอยู่บนหน้าผาเขา เพียรปฏิบัติเพื่อมาผลนิพพานแบบชีวิตเขาแรกเนี่ยไมจึงนี่ไงคำถามที่เราทำไมเขาถึงบรรลุอารหาันง่ายเพราะว่าเขาเพียรปฏิบัติมาตั้งแต่ก่อมาพบพุธเจ้าในชาตินั้นแล้วในชาติากุฎเจ้าองค์กาะเกาะนู้นเขาเพียรจนตายแล้วละยอมสละชีวิ ต, ว, ตว่าเราจะฉันอข้าวกับน้ําที่บินสาบัมาเท่านั้นแล้วก็ทาให้รูารา้ว่าหานยอมตายพักไม้เลย อาไม่ลงองพี่ใหญ่สุดก็บรลุอรหันต์แต่องค์พี่ใหญ่ก็ขอกรดากทีชชื่น่ยเอากระดาษที่ชืหน่อยนี่อะไรนี่กะไรเรื่องนี้อีกต่อไป หาผู้ชายทำยาไม่ค่อยได้ฮะเดี๋ยวสุณพอมีแต่ผู้หญิงไปสวรรค์นิพพานหมดเอยผู้ชายไม่ค่อยมีนะเออมีแต่ผู้หญิงหาผู้ชายทำยาไม่ค่อยได้นะดี่ขขแ น, น่พยายามับ เพื่อนพาด้วยกันเนี่ยก็เจ็ดลูกเพื่อไปปฏิบัติบนหน้าผาแล้วก็ทิศานเอาแต่ผ้าวาากับน้ำที่ปิบัติขึ้นมาไปฉันอยู่บนหน้าผาแล้วก็ผลมาลงเพราทรมิมรรู้อรหันยอมตายแต่มันปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่เป็นถึงเล่องความเพียรยังไงก็ตามแต่องค์พี่ไปก่อนแล้วลบกองค์พี่ไป็นลูกอรหันก่อนองค์พี่ก็พยายามเราคิดว่านะ องพี่ก็พยายามช่วยช่วยน้องอีกหกคนนั่นแหองพี่ที่ไปช่วยที่เหลืออีกหกคนให้ท่านบรรลุอาหัน outside, แต่มันแบบว่ามันฉันแค่ข้าวกับน้ําเนี่ยวันแรกๆมันก็ยังพอมีแรงอ่เก็ยังแต่คนที่องที ots, BO, ่บรรูุอรหานแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนอีกหกคนหกหกองก็เลยอธิษฐานที่อธิษฐานจิตพอไปบิดาบาตเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงพระอีกหกลูก แต่พลายปรูปเนี่ยบอกว่าเราไม่ได้ตัดตั้งกฎจ่ายอธิษฐานว่าใครเป็ลุกอารหันแล้วให้บิดาบาศเอาข้าวมาเนี้ยเราตั้งกฎจ่ายอธิษฐานกันว่าถ้าไม่สําเร็จอารหันยอมตายจะจันจะพคาะข้ากับน้ําที่บิดาบาศก็เลยไม่ยอมฉันไม่มในกครฉัน อ, อ, องค์พี่ก็องค์สิบลูกอารหันก็อ่อนร อ, อนบอกว่า มันจะไม่สําเร็จมันจะตายก่อนแต่อิโคองือกว่ามันจะผิดศัจจ์ไม่อยอมถือศัจจ์ก็ทํำกองเพียนสุกิตเราว่านะองค์งพี่ก็พยายามที่บรรลุเวลารู้แล้วหลุดทางแล้วพยายามจะช่วยอิโคองนะแต่มันเนื่องจากก ล, ากลานะ้ามเนื้อมันอ่อนแรงออกกำลังเกินไปไม่ได้จัดน้าไม่ได้จัดช า, าแต่อง์ที่สองน่ะบรรลุอนาคาบี แต่ไม่ทําที่จะรั่วหลามสาส่วนหมดแรงแต่ยังไม่ทันบรรลุอนาภามีเสร็จก็สงสารอีก 5, อก5้อีกห้าองค์ว่าอีก5้าองค์ดูแล้วหมดสภาพแล้วถ้าไม่ได้ฉันข้าวจันน้ำตายแน่จะไม่ได้อะไรองค์ที่บรรลุอนาภามีเลยที่ฐานติเพาะไปลิศาบาทเอาข้าวมาเลียง เอาข้าวเอาน้ำมาเลี้ยงข้าองค์อีก5้าองค์ไม่ยอมฉันบอกว่ายอมตายมันผิดศัจจ์ที่ให้กันไว้ที่ได้ตังสัจจ์กันไว้ยอมตายที่สุดตายหมดเลยตายหมดในเดือนตั้งองค์เจ้กระทังเนี่ย อ, องค์ที่เป็นพระเรือนน า, านคามีก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นสูงแล้วก็ ปรยูนชั้นเนี่ยิาวัตรปีห้าอนก็มาเกิดมาเกิดใ น, นสมัยพุทธเจ้าของเราเนย <Okay. S 1> วันนี้องค์นึงก็เป็นไพยักษที่เป็นคารวาสไพรยักษ์ไปค้าขายเป็นพ่อค้า ล, ล่องเรือในค้าขายแล้วเรือแตกเรือแตกคนในเรือทตายหมดไพรยักษ์เกาะดานไปติดเกาะ ไปจิตเกาะ อ, อยู่เกาะหนึ่งเสื้อผาา้าข า, กนน า, าดก็ไไลุกมาลิ้น ไ, ไม่มีแค่ไปเหลือเสื้อผ้าใส่ก็ไปติดเกาะนุ่งใบไม้เนาะตอ้นเอาไปไม้นุ่งเ น, น, นี่ยเอเปลือกไม้มานุ่งแล้วก็อยู่ในเกาะนั้นเนี่ยพวกชาวเกาะนั่นเนี่ยเติมศรทานนว่าเป็นพระเจ้าของเขาศรัทธากันใหญ่เลย เออพยายามเห็นคนศรัทธาเอะไรวะตเอเหอเอล่านั้นเป็นนุ่มอะไร เ, เป็นชีเปลยคนไม่ที่ศรัทธาแต่ว่าโอ้ไม่ไม่ไม่ครอบครองอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยเป็นชีเปลยหลอกชาวบ้านเรารู้อาหารแล้วเป็นชีเปลยเขาบอ<ม>ถึงขนาดบอว่าหลอกชาวบ้านไม่กินอะไรได้นะควอนจริงเขเคยอดอ่ะอาจจะเป็รู้นสายเก่าที่เคยอดอาหารมาจนสามารถอดได้แต่ควาจริงพอชาชบ้านไปแล้วก็แอบกินจระ แ อ, แ, อแอบกินอุจจาระแอกินอุจจาระเก่าตัวเองเนี่ยเพื่อนที่อยู่เป็นนาคามีอยูสวรรค์ทนไม่ได้กดมาปรากฏที่นาปากถ้าสวรรค์สวรรค์หมดเลยบอกว่าเจ้าทำไมถึงอย่างเนี้ยว่าดอย่างนี้นี่ก็ออกมาดูท่านเป็นใครเนี่ยก็เลยเล่าเรื่องแต่คนหลังให้ฟังว่าเราเนี่ยคือเพื่อนของเจ้าเนี่ย ที่พาไปปฏิ บ, บ, บัติอยู่บนหน้าผาเพื่อแสวงหามรรคนิพพานจนถึงแก่ความตายทำไมจึงมาในชาตินี้จึงมาโกหกหลอกลวงชาวบ้านแล้วพอพุทธเจ้าเปิดเป็นวิชาพิีอย่างนี้มาว่า ต, ต่อว่าไยยะเลยนึกเสียใจจริงๆว่าโ อ, โอ้โหยยอนอาชีวิตเข้าแลกทำไมในชาตินี้จึงเลวไรขนาะด เสียใจใหญ่หลวงเลยนึกถึงพบเจ้าที่ลำบากมาเพื่อนก็นเลยบอกว่าวันนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในนู่นอยู่ที่วัดเจตวันให้รีบไปหาพระพุเจ้าด่วนเลยพยะนึกถึงในชาติตัวเอง่ยโหยหาพระนิพพานอ่ะโหยหาโหยหามันหิวหิวหิวพระนิพพานจนยอมตายบนหน้าผาน พอได้ฟังพระพุทธเจ้าเสด็นั้นเนยอยู่ยวๆว่นิพพานด่วนเลยรีบไปหาพระพุทธเจ้าอย่างด่วนไม่หลับไม่นอนทั้งวันทั้งคืนไปหาพระพุทธเจ้าไม่นอนเลยอยู่อยู่านิพพานไปพบพระพุทธเจ้ากําลังปิฏฐาตอยู่กลางถนนเข้าไปกอดขาพระพุทธเจ้าร้องโหยร้องไห้นัลลัมนลนลัมพระพุทธเจ้าอยู่พ่านิพพานอยู่ว่านิพพาน บทเมตตาบอกพระข้าพเจ้าด้วยว่าทําอย่างไงถึงจะมีพระนิพพยานพระพุทธเจ้าไปยานี่เป็นเวลาที่เราสถาพวินทบายไม่เป็นเวลาที่เหมาในการที่จะแสดงธรรมไปยะก็มันยอมอ้อนวอนถ้าพุทธเจ้ายิ้วยิว้วอย่างจริงยิ้วพรนิพพานอย่างยิ่งปฏิบัติจนยอมตายมาแล้วมาในชาตนี้ก็ยังไม่พบพระนิพพานโอ้โหแบบพพุทธเจ้าเห็นว่า พยายามในแสบจิตมันไม่ทันป้านปวดมากเกินไปก็พยายามสอบปลอ บ, ย บ, บพยายาให้สงบจิตสงบใจพยายามปลอบเจอว่าทั่งพยายาไมค่อยๆสงบจิตสงบใจหลงได้แล้วก็ปบอกว่าพยายเธอต้องตั้งใจฟังให้ดีเจะสงบจิตใจแล้วก็ตั้งใจ ส, ใ ส, ส, ใจสั่ ใ, สให้ดีถ้าเธอเห็นสับจะไม่เห็นได้ยินสับจะไม่ได้ยิน ได้กลิ่นสับได้ได้กลิ่นรู้รสสับประวัลรู้รสสัมผัสสับปรัลสัมผัสรู้อาการในใจรู้ความคิดรู้กิริยาการภายในใจทุกขณะินปัจจุบันสับแต่ว่ารู้เธอจะไม่มีตัวตนของเธอจะไม่รู้สึกว่าเธอมีตัวตนของเธอในปัจจุบันและในโลกหน้าจะไม่มีตัวตนของเธอตลอดไปด้วยไงเธอจะทุกข์ สินกิเลสบรรลุพนิพานนั่นแหละการที่จรรลุพ้นิพันยักฟังทำจบพิจารณาตามบรรุอรหันต์ก็เหมือนกับที่ว่าเราบอกว่าเห็นจิตทุกิริยาอาจารย์ในปัจจุบันน่มันไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไเหมือนใบไม้ที่ลมพัดแรงขนาดนี้ ทุกต้นในใ น, ในสวนเนี่ยลมพัดแรงมากเลยข้างนอกเนี่ยเราเลยต้องหลบมาข้างในใบไม้มันไหวอยูย่ไวอยไวอไวอไหวไหไม่มีใครเนะที่จะเข้าไปตั้งใจจงใจเจตนาที่จะดูรู้เห็นจิตไม่มีใครตั้งใจจงใจเจตนาที่จะไปดูรู่ละปล่อยวางไม่มีใครที่จะเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับ ปริยาการของจิตไหวไหวไหวไหวเหมือนพัดเหมือนใบไม้ที่ไหวไหวอยูลมพัดมีแต่ปริยาการของจิตไหวไหไหวไเหมือนใบไม้ที่ไหวไวไวอยู่ตอนนี้ไม่มีใครเลยที่คิดจะเข้าไปแทรกแซงปริยาการของจิตไม่มีใครเลยที่จะคิดเข้าไปเลือกสรรว่าจิตสิ่งนี้จะเอาปริยาการจิตสิ่งนี้จะเอาปริยาการจิตสิ่งนี้ไม่เอา ไม่มีใครเลยที่จะเข้าไปคิดว่ากิริยาการของจิตเนี่ยมันโปร่งมันโล่งมันเบามันสบายมันว่างๆจะเอากิริยาการของจิตที่ไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่ว่างไม่สบายยจงไม่เอากิริยาการของจิตที่โปร่งโล่งเบาสบายว่างๆเสมือนกับใบไม้ที่มันสวยๆที่มันถูลมพัดพลิ้วพิ้วพลิ้วพลิอเนี้ยมักจะมีทั้งสวยๆไม่สวย้าๆในตัวเนี่ยมันเยอะ ส่วนกายาการังจิตที่มันไม่โปร่งไม่โล่ไม่เบาไม่สบายก็เหมือนกับใบไม้ที่มันขาดขาดวิ่งที่อยู่ในสวนเนี่ยแต่ใบไม้เดี๋ยจะโปร่งจะโล่งจะเบาจะสบายจะว่างอย่างไงก็ตามมันไม่มีใครเข้าไปเลือกอยากได้ใบไม้ที่มันไม่โปร่งไม่โล่ไม่เบาไม่สบายไม่ว่างระเกิบเป็นใบไม้ขาดขาดวิ่งก็ไม่มีใครเลยจะจะเข้าไปทําลายมันจะไม่เข้าไปจัดการมันไม่มีใครเลยที่จะเข้าไป ไปเลือกว่ากิยาการทางิตอย่างเนี้ยสภาวธรรมอย่างเนี้ยที่มันโป่งมันโล่มันสบายมันว่ามันสว่างอยากได้กิจการทางจิตที่มันไม่โป่งไม่โล่ไม่เบาไม่สบายไม่สว่างไม่อยากได้อยากจะฉี่ออกอยากจะจัดการมอดยาบีดไปฟันมันออกไม่มีเลยพวกเราก็ได้แต่นั่งอยู่ที่นี่แล้วมองเห็นแต่ใบไม้ในสวนทั้งหมดเนี่ยมันไหวไหวจะเป็นใบไม้ที่ดีไม่ดีอย่างไงก็ตาม คงเห็นแต่มันไหวๆไหวๆไม่มีใครเข้าไปแทรกแซ ง, งไม่มีใครเข้าไปจับต้อไม่มีใครเข้าไปยึดไม่มีใครต้องพยายามไปรักไปปล่อยมันวางไม่มีใครต้องพยายามไปเพ่งแล้วพยายามจับมันเพ่งรู้ว่ามันแล้วไล่ไล่ดับมันให้มันให้ใจมังว่างเปล่าไม่มีใครต้องอคอยคอยรู้คอยจัด ก, การเห็นเกริยาการกที่เกิดขึ้นมาแล้วคอยไปไล่ดับมันเพื่อให้ใจร่างฟร้่มมีแต่ตัดแต่ว่ารู้เหมือนกับพระพุทธเจ้าตัสกับใครยะ เราไม่ทราบว่าภาสามาคตในสมัยเบียร์ตอนนั้นพระเจ้าตัดคําอย่างไรเนี่ยพระเจ้าแต่เขาแปลมาว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าแต่มันก็คืออย่างเนี้ยที่เราพูดในแนยคือเราไม่ค่อยเฉยหยาัดใช้คําว่าสักแต่ว่ารู้พอมันมีคําว่ารู้เนี่ยมันอดไม่ได้ที่ผู้ปฏิบัติตอจะเข้าไปรู้เข้าไปดูเข้าไปจ้องเข้าไปเห็นเข้าไปเพ่งอาการพอเข้าไปดูเข้าไปรู้พวก มันก็จะพยายามไอสิ่งนีอาการหนังจิตที่ดีก็อยากจะเอาไว้อาการหนังจิตเนี่ยที่ไม่ดีก็คอยกําจัดกำใสแล้วมันมีส่วนที่เกินไน่อยอันหนึ่งที่ร้ายที่สุดก็คือว่ามันไม่มีแต่เกริยายาใจหนังจิตแต่มันกลายมีกลียยาอาการของผู้ดูผู้รู้ผู้เพง่งผู้จอ้องผู้ละผู้ปล่อยผู้วางตรงนี้สําคัญนะมันเกินมาอันหนึ่ง พอไปแปลคําว่าตัดแต่ว่ารู้เราจึงไม่อยากใช้เลยแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือครูชาที่คำว่าพูดซื่อๆพูดซื่อๆหรือรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆมันก็มีรู้พอมีรู้ขึ้นมาเนี่ยมันกดไม่ได้เลยที่จะเข้าไปดูรู้เหนนาการบางีมันเลยไม่ได้มีแต่อาการของจิตที่ไหวๆไหวๆไหวๆเกิดขึ้นแล้วระดับไปเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นแล้วระดับไปเปลี่ยนแปลงไปแต่มันมีตัวเกินในตัวคือ มีผู้เข้าไปดูเข้าไปรู้ปริยาการของจิตแล้วปัญหามันเกิดขึ้นคือไอ้ผู้เข้าไปดูผู้เข้าไปรู้นั่นแหละมันเป็นคนเลือกสรรเอง mm hmm. มันกดไได้เลยว่าที่ไอ้ผู้ไปดูผู้ไปรู้เนี่ยมันจะไม่เลือกสรรพอมันเข้าไปดูก็ไปรู้แล้วมันจะเลือกเอาแต่จิตที่ดีๆไอ้จิตที่ไม่ดีไม่เอามันจะมีการเลือกสรรเหมือนที่โยมาส่งว่าตอนแรกที่บอกว่า มันไม่เหลือแต่อาการของจิตที่ไหวๆไหวๆไม่มีเลไม่มีผู้ใดเข้ามาจับต้องแต่โยมุญสมบอกว่ามันมีอาการของจิตที่ไหวๆไหวๆที่เห็นเนี่ยเป็นอย่างนี้เหมือนกับใบไม้ที่เมันพัดเหมือนกับลมที่พัดใบไม้ไหววๆไหวๆเนี่ยแต่โยบุญสมมีเพิ่มงานคือทําใจให้ว่างเปล่าความใจให้ว่างว่าแล้วค่อยเห็นจิตที่ไหว่ๆบริณีสองอย่างคือมี อาการของจิตที่ไวหว ๆ, ๆ, ๆเหมือนใบไม้ที่ไหวๆเหมือน้อง้ลงพัดแล้วก็อีกอา น, นคือคําแจให้ว่างเปล่าความผิดพลาด ค, คือผิดพลาดตรงคําแจที่ว่างเปล่าแต่ที่เห็นอาการของจิตไหว ๆ, ๆๆนั้นใบไม้ตอง้ลงพัดอย่นถูก ต, ต้องแต่ตอนไหนบอกว่าทําใจให้ว่างเปล่าไม่ผิดพลาดนะฮะต้องรู้เป็นธรรมชาติใช่ไม้มคะเออรู้เหมือนกันเลยเนี่ยเอ้ยตาเราเนี่ยเราบีตาเนี่ยตาเราไม่บอดเนี่ย ตาเราไม่บอดเนี่ยมันเห็นมันเองโดยธรรมชาติเสร็จแล้วไม่ต้องตั้งใจเห็นไม่ต้องต้องจงใจเห็นไม่ต้องจิตนาคือเหมือนเนี้ยตาของผู้ชมก็เหมือนมองเห็นลงตามองเห็นทุกอย่างในในหัวเนี่ยมองเห็นตึกมองเห็นแก้วน้ามองเห็นเก้าอี้ที่ลงตานั่งมองเห็นทุกอย่างอย่างเนี้ยมันเป็นการมองเห็นในที่เป็นธรรมชาติของการรู้โดยที่มันไม่มีการต้องตั้งใจที่จะเห็น ตั้งใจที่จะดูเครื่องใจที่จะรู้แต่มันเห็นขึ้นมาเลยมีตาถ้ามองเห็นเลยโดยที่มีการที่ว่าต้องตั้งใจที่จะเห็นจงใจที่จะเห็นพยายามที่จะเห็นคือมันเห็นเลยมันเป็นการเห็นเลยแล้วก็หูได้ยินเสียงเนี่ยมันก็เป็นการได้ยินตามธรรมชาติขึ้นมาเลยโดยที่ว่าไม่ต้องตั้งใจที่จะได้ยินจงใจที่จะได้ยินเจตนาที่จะไยินแล้วมันก็เพียงแต่ว่าเห็นก็คือเห็นตามธรรมชาติสับแต้วเห็น หดยินเสียงก็ได้ยินเสียงตามธรมชาติตามเรายินโดยไม่ผู้ที่ตั้งใจเจตนาจงใจพยายามไปดูพยายามไปฟังคือมันก็ได้ยินขึ้นมาเลยธรรมชาติของใจกิริยาการภายในใจเมันก็รู้ขึ้นมาเลยเหมือนกับตาเนี่ยตาไม่บอกมันก็มองเห็นหูก็ได้ยินเสียงก็ได้มันไม่ใช่ว่าตั้งใจแลจะได้ยินแลขข้วก็พอไปกิริยาการภายในใจมันก็รู้ไปเลยโดยไม่ต้องตั้งใจรู้เจตนารู้จงใจรู้หรือพยายามจะรู้ แล้วการการได้ยินกันการเห็นการได้กลิ่นการรู้รสการสัมผัสแล้วก็รู้อาการทั้งใจมันเป็นธรรมชาติที่รู้ขึ้นมาเลยและเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครไม่ต้องไม่มีกรารไปเลือกเหมือนเราเห็นของที่ไหวไวไหวไหวไปในในเนี้ยเห็นใบไม้ที่พัดไหวไหไหวไหวเนี่ยเห็นคนที่เดินไ ป, ไปเดินมามันเป็นการเห็นขึ้นมาเลยแล้วไม่มีใครไปเลือกนะว่าอย่างนี้จะเอาอย่างนี้ไม่เอาเพราะไม่มีใครไปเลือกไม่มีใครไปแทรกแซงไม่มีใคร ไ ป, ไปเป็ิเสดอะไรใจมันก็เลยว่างาเปล่ามันไม่ใช่ว่าเราไปทําใจให้ว่างเปล่าแล้วเราก็ไปสัแมมใใงแ ต, สแต่ว่าเห็นเลยมันมีมันมีการทํำในผิดอันนึงคือทําใจให้ว่างเปล่าแต่ด้วยเหตุที่เราทําเนี่ยคือสังแต่ว่าเห็นหรือว่าเอรับรู้สั่งแต่ว่ารับรู้ตามธรรมชาติมันเลยว่างเปล่าอันนี้เข้าใจไห ม, มคุณสมเาใเออพอดีหัวหน้าแบบว่างใจขึ้นมา เข้าใจยังไงได้แต่เรพูดแรกฟังตอนแรกแล้วเข้าใจไงช่วยวนให้เราฟังหน่อยว่เราฟังได้ไหมนะหัวหน้าตอนน้องชายจะได้ยินเราจะได้ไม่ต้องพูดรอบหล่เราจะเราจะฟังด้วยว่าพูดผิดหรือพูดถูกก็ใจถูกหรือใจผิดโยมเข้าใจว่าแบบนี้ก็ค่ะแต่ว่าอะไรผ่านเข้ามาไหวๆเหมือนใบไม้ไหวๆแล้วก็มีใจให้เป็นธรรมชาติเฉยๆด้วยค่ะให้รู้แบบว่าเฉยๆ้าไว้ เราไม่ต้องไปไหวๆกับตามใบไม้เจ้าค่ะหรือแบบว่าพอไหวๆเราก็รู้อย่างนี้เจ้าค่ะก็ปล่อยให้มันแบบว่าให้มันหายไปจะหายไหวๆแล้วก็เฉยๆเจ้าค่ะจะหายเมื่อไหร่เราก็ไม่ต้องคอยแบบนี้เจ้าค่ะอย่างนี้ใช่ไห้วค่ะเดี๋ยวบายเลยเลยเดี๋ยวตัวนี้เล หมนจะถูกเมันจะผิดยังไงเรเดียวเดี๋ยวเดี๋ยเวมนจะถูกมันจะผิดไงแลอย่างที่เดี๋ยวให้หัวหน้าซั์กับน้องชายัไม่จัเลยอ่โย่เออแต่จะพูดเมื่อกี้เนี่ยมันถูกจะถูกจะผิดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไรนะพดคงจะประมาแต่พูดสบายๆเลยกันเองหัวหน้ามาที่หลังจะได้จะได้เข้าใจด้วยครับถเราพูดสรุปแล้วไม่เข้าใจเพบหัวหน้าไม่ได้ฟังแต่แรกอะไรคือไหวอะไรมายังไรที่มมาใบสไหวไม่ชิบายนะครับ ใบไม้ไหวเนี่ยเจ้าค่ะแล้วก็เหมือนใจเราที่ไหวเออไม่ใช่ที่มันจพูดม่ถูกมันจะพูดพูดออกมาจากใจอะพูดอมาจากต้องประหมาม่ตอเกงหัวหน้าน้องชายจะได้เข้าใจพูดออกมาจากใจก็เลยว่าพูดต้งแต่แรกเลยเพราะว่าหัวหน้ากับน้องชายจะได้เข้าใจเดี๋ยวไม่เดี๋ยวหน้าน้องชายไม่ไม่รู้ว่ามันเลิกต้นกาเ็นยังไงอ่ะ โยมก็จะเริ่มต้นไปถูกก่ามนเริ่มไปแล้วโยมคิดว่าสิ่งที่ไหวๆเข้ามาเจ้าค่ะไม่ต้องไปยึดเจ้าค่ะก็ดูแต่ความไหวๆแล้วก็ทำใจให้สบายพี่เจ้าค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายไปเองพ่เจ้าค่ะ แบบว่าอันนั้นนะมันผ่านมนแค่มันตั้งใจเท้าเดี๋ยวพอพอจะมา น, น้าใหวจะให้แบบว่าให้ปญญบปญญรยาก็อื่นังทนยาฉราายไ่รอบเดียวเจ้าค่ะอันนั้นแบบมันรู้ผลขึ้นมาแล้วคนนี้เราก็พอพอดวงตาตอบล้วก็สบายใจไปแล้วคนนี้จะให้มาหน้าใยุ่ก็คูๆๆ่ไม่ถูกย่าค่ะ โยกผสมนี่พูดถูกไหมไม่จีอะให้ไม่จีอ่ะเอาไ ม, ม้ให้ไม่จีหน่อยสิให้ช่วยกันดิ้ไวายหน่อยสิ